ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคตระหันตะสมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พาการ น, นั่งขัดสมาธิ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 กำหนดพุโทโธพร้อมกับลมหายใจพร้อมกับการได้ยินได้ฟังรวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าสมาธิสมาธินั้นคนเราไม่ค่อยเข้าใจการนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งเหงานอนไม่ใช่นั่งให้มันหลับไม่ใช่นั่งให้มันสบาย นั่งเหงานอนนั้นเรียกว่าไม่ใช่นั่งสมาธิเป็นโมหะสมาธิตราบใดท่านนั่งภาวนาหลับไปได้แรียกโมหะสมาธิไม่ใช่สมาธิในทางพุทธศาสนาสมาธิที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสสอนไว้ไม่ใช่สมาธินอนหลับนั่งหลับ เป็นสมาธิเทรวันนึกน้อมถึงบริกรรมภาวนาหรือกำหนดความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกเรานะมันเต็มไปด้วยภัยอันตรายเรายังจะมาง่วง เ, าเหางเเขนอนฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ไม่ได้ต้องตั้งใจใหม่ยาให้ความง่วง เงาเหานอนมาทับถมจิตการหลับนอนถีนเมตทธะความง่วงเหงาเหานอนเนวรนทางห้ากามะฉันความรักใคร่พอใจในกามมาลมทั้งหลายพยาบาทความอิจฉาพยาบาทกันถีนมิทธ คือความง่วงเหงาหานอนมันพวกในวร์ท้งนั้นอุทธัจจะกุกุจจะจิตฟุง้งซ่านคือว่าจิตไม่สงบนะจิตไม่หยดจิตไม่โยจิตไม่โลก้กิเลสของตัวเองเลยมาหลงโยแค่ความสุขสงบสบายสบายในการหลับการนอนโย เอาตัวนอนลงไปเรียกว่านอนแม้เราจะนั่งสมาธิโย้าคาสติจิตมันง่วงเหงาเหานอนไปได้อ น, นั้นก็คือว่านอนเรียกว่านอนแบบลิงลิงนั่นมันไม่ได้นอนเหมือนคนมันนั่งหลับแต่คนเราไม่ได้ไปดูลิงนอน แต่ว่าเรียนกับลิงได้ที่เรานั่งภาวนาเป็นง่วงเหงาเหานอนได้นะคือว่าเรียนสมาธิจากลิงลิงบระกอกที่มันมาหากินใบไม้ตามข้างทรม้าปองเราเนะี่ยนั่นแหละมันนั่งสมาธิลิงเหงานอนอย่าไปเรียนอย่างนั้น เมื่อนั่งสมาธิแล้วท่านให้ยือตัวให้เที่ยงตรงบ่ให้นั่งสัมสอลงไปไม่ให้ก้มนักไม่ให้เลยนักเรียกว่าตั้งใจตั้งตัวคำว่าตั้งใจเนี่ยตั้งมดตัวถ้าใจมันยังหลงลืมไปง่วงเหงาเหาหานอนให้เตือนจิตของเราเวลานี้ให้ได้ วานี่มันสมาธิว่านอดว่านอนก็แปลว่าลิงลิงก็แปลว่าวอกวอกสามสิบสองภาษาเหนือเขา ว, าวอกสามสิบสองลิงนั้นเขา ว, าวอกเขาว่าว่าลิงเมืองเหนือเขาว่าวอกมันวอกแวกถ้าใครเห็นลิงจะรู้ได้เข้าใจ ไม่มีเวลาสงบจิตใจของคนเหล่านี้ก็คล้ายกันกับวา น, นอนคล้ายกันกับลิงคือมันวอกแวกวันไว้อยู่เสมอไม่ว่าเสียงอะไรดังต๊กแตกปุ๊กปิ๊กรุนแรงเบาก็าตากจิตนนมันถึงวอกแวกไปแล้วไปตามเสียงเสียงดีก็อยากฟัง เสียงเขาดุดาว่าไายป้ายสีให้ไม่ชอบโกรธเกียจขึ้นมานั่นแหละคือว่าเจ็ดไม่สงบตั้งมั่นในสมาธิภาวนาไอ้นั่นถ้าจิตเราทุกคนผู้ใดก็าตามถ้ายังง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ทางห้า ตามมาชฐานพยาบาทถีนมิตะอุทตจักุกขัจฉาความฟุ้งซ่านลำคาญวิจิกิจฉาถ้าจิตยังมีสงสัยนั่นบง่งสงสัยนี่บงังคือจิตออกนอกทางนั้นแหละจิตขาดสติสัมปชัญญะจิตไม่เมความระลึกโยในตัวอยู่ในใจเรานั่งสมาธิภาวนา มันก็ได้แต่เพียงระเบียดระเบียดนั่งแต่จิตมันไม่เป็นสมาธิให้มันหลงบันลืมหลงลืมภาวนาขาดสติสตินั้นทันว่าต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทางกาย จะเคลื่อนไหวไปมาทำจิตจักกร ร, การงานใด้‑‑ก็ต้องมีสติในสิ่งที่ตนทำคําว่าการงานทางกายกายถ้าเคลื่อนไหวเคลื่อนจากนั่งไปยืนเคลื่อนจากเดนไปเดินเคลื่อนจากเดินมานั่งเชื่อว่าการงานทางกายต้องมีสติ คนที่ขาดสติและไม่ขาดสติจะรู้ได้เข้าใจในเวลาทำทำอะไรก็ตามต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันเป็นอย่างไรทำงานจับมน็ผ้าขวานทำงานก็มักจะถูกแข่งถูกขาถูกตีนถูกมื อ, อเดินไปก็ตามต่อ ทำไม่ทำอะไรมีแต่ผิดภลาดทางนั้นนี่คือว่าขาดสติอย่าไปคิดว่าเราเป็นนักภาวนายังไม่ใช่นักภาวนาที่ดีนักภาวนาที่ดีต้องมีสติอะไรควรทําทําแล้วเกิดผลประโยชน์มาอย่างไร สิ่งที่เราทำนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปต้องมีสติระลึกถ้าเราฟังแ่วนี้ยังไม่พอเราต้องทำต้องทำต้องมีสติความระลึกระลึกอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเรานั่นแหละถ้าไม่ระลึกอย่างนั้นมีแต่ความผิดพลาด นั่งก็ง่วงเงาเหานอนถ้าไม่นั่งสมาธินั่งสมรดาก็ชอบเป็นคนเล่นคนคุยไม่สนใจในการเดินจงกลมไม่สนใจอยู่ในที่สงบระ ง, งับของตัวเองมักจะไปขึ้นกุดนั่นลงกุดนี้ไปคุยท่านั่นคุยท่านี้ ยิ่งใกล้จะออกพรรษาก็คุยเรื่องไปเที่ยวไปเตรไปวิเวคภาวนาในป่าบ้างคิดในเรื่องซึกหาลาเพศบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์สมาธิเท่านั้นที่เราพูดก็ดีทมก็ดีมันเป็นไปเพื่อเรื่องภายนอกนั้นให้พากันคอยระวัง ทำอะไรให้มีสติถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอเราต้องทำแล้วก็มีสติหรือไม่ถ้าไม่มีก็หัดถ้ามันมีขึ้นต้องเอาสติธรรมดานี้ก่อนให้ได้เมื่อสติธรรมดานี้แหละยังไม่ได้มันจะไปได้สมาธิภาวนาที่ไหน ค, คือจิตมันลอยอยู่ไม่มาสงบตั้งมัน่นไม่มาสงบในที่บริกรรมภาวนาพุทโธนั้นมันลอยคำว่าลอยเลือดจิตมันเลื่อนที่อยู่เราทุกคนคงได้พบได้เห็นว่าอสละเพศคืองูทั้งหลาย ไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่งูมีพิษไม่มีพิษมันไปทางไหนมันลอยไปเจไดยาที่ลอยของงูคือจิตเรามันลอยเหมือนงูเรานั่งทีนี้ภาวนาทีนี้มันไม่อยู่ที่ไห้มันลอยไปที่อื่นคิดอะไรต่อห น, นี้อะไรอันเป็นเรื่องฟุ้งซ่านลาคาญทางนั้น ไม่เป็นความสงบห ล, หลังนับเยือกเย็นสบายเดย ว, ว่าจิตมันลอยไปเหมือนงูแต่มันเป็นงูในใจมันไม่ใช่งูภายนอกงูในใจนั้นถ้าไม่ขาดสติเมื่อใดเวลาใดมันลอยไปอย่างนั้นทีนี้เราจะมาจำกัดอย่างไรจะต้องจำกัดว่า พระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเซิงเหล่านี้เป็นการเตือนสติให้เรานึกให้เราเจริญเอาให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันก็ลอยไปหมดเลื่อนลอย เรียกว่าเป็นคนเรียกว่าคนเลื่อนลอยจิตเลื่อนลอยพระเนนแม่ขาวนางชีจิตใจเลื่อนลอยไม่สงบตั้งมันแล้วก็ว่าตัวเองภาวนามันภาวนาแบบไหนก็ไม่รู้ทำไมจึงนั่งภาวนาของง่วงเหาเขานอนไปหมดต้องตั้งใจใหม่ แก้ไขตัวเองให้ได้ไม่มีใครจะไปแก้ไปไขตัวเองให้เราได้พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนคําว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นเราต้องทําเองปฏิบัติเองให้มันเกิด แก้ไขความง่วงเหงาหานอนนี่ข้อเดียวนี่มันได้ก่อนถ้าแก้ไม่ได้แล้วอย่าไปหวังเอาที่อื่นอีกไม่ได้คำว่ามีสติถ้าจิตมันอยู่ในอารมณ์นิวรทัทงห้าอยู่มันถอนออกมาไม่ได้จะจัดว่าเป็นสมาธิภาวนาไม่ได้ ตามัชันพยาบาทถีนมิทธ h อุทะจักุกุจจวิจิกิจชายังมีอยู่ในใจปุุชนคนเราตราบใดชื่อว่ายังไม่ตั้งใจภาวนาทางนั้นแหละ ย, ยังไม่ตั้งใจยังไม่เอาจริงจะไปเอาเมื่อใดเวลาใดให้มันจริงลงไปน่ะ ถ้าละไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่ภาวนาเดี๋ยวนี้ไม่นึกไม่เจริญไม่วิวัฒนาการตัวเองในเวลานี้ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็เข้าใจว่าหมดเวลาแล้วหาเวลาไม่ได้เวลาชั่วโมงนาทีมันหมดที่ไหนมันไม่หมดมันวนอยู่ในอาการนั้นเก่า ให้เราแก้ไขตัวเองให้ใหม่ขึ้นมาอารมณ์เก่าๆเคยคิดเคยนึกเคยพูดเคยทำอะไรมาในสิ่งฟุ้งซ่านลำคาญทั้งหมดนั่นแหละถ้าจิตนี้มันขาดสติเมื่อใดเราพูดอะไรก็เรียก ว, ว่าไม่สมบูรณ์แบบเลื่อนลอยไปเรื่อย เมื่อขาดสติแล้วสมาธิมันก็ขาดไปเมื่อขาดสติขาดสมาธิปัญญามันก็เกิดไม่ได้ยานอันวิเศษยิ่งห่างไกลมันจะเกิดขึ้นอย่างไดคือข้อแรกมันก็ทำไม่ได้แล้วเรื่อ่าสติสติความหลาลึกไม่มีในจิต สมาธิก็ฝุ่งสารอยู่ไม่ได้ความระลึกอยู่ในจิตเวลาภาวนาท่านให้ระลึกอยู่ในจิตในจิตนั่นแหละก็ต้องมีอยู่ในกายในกายในจิตนั่นแหละก็ต้องอยู่ที่วาจากายวาจาจิตนั่นมันเป็นอันเดียวไม่ใส่หลายอันเวลามันยังครองชีวิตอยู่ กายทำอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาพูดอย่างไรจิตมันก็ไปอย่างนั้นวาจาเป็นอย่างไรจิตมันก็คิดลุมหลงมัวเมาอย่างคนเราทำพูดคิดนั่นแหละอย่าง น, นั้นสติความระลึกได้โดี่ท่านครูบาอาจารย์เจ้าทางหลายเวลาภาวนาท่านเก่งให้ไสอุบายย่อ อย่างว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนนึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรร ม, มเจ้านึกถึงพระสังฆเจ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าตั้งใจนึกจริงจจนเอาจิตใจของตนหายความง่วงเหงาหงานอนได้จิตมันจะสว่างสวัยขึ้นมา เรีย ว, ว่าจะประพฤติปฏิบัติชอบได้ถ้าขั้นโลอกๆธรรมดานี่แหละก็เอาไม่อยู่เวลากีลกความโกรธมันเกิดขึ้นก็มาเห็นเวลามันโกรธมันกระ ง, งับไม่อยู่เพราะขาดสติความโลภมันเกิดขึ้นมันขาดสติ เอาไม่อยู่ความหลงมันเกิดขึ้นมันขาดสติเอาไม่อยู่ต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในที่พระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าพาวนาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะดันงนั้นแล้วจิตใจเราทำได้ไหม นึกพูดทอได้ทุกลมหายใจเข้าออกไหมนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั้นจิตเราทำได้ไหมใจเราตั้งมั่นได้ไหมนึกได้เจริญได้อย่างท่านสอนไหมต้องดูในจิตในใจดูความประพฤติการกระทำของเราเอง ตัวเราของเราที่ไหนร่างกายสังขาร น, นี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชงกันอยู่เท่านั้นเราจะมาเย็ดมาถือว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆไม่ได้ธาตุแท้มันไม่ใช่ตัวเราธาตุแท่ก็คือธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนเรา เมื่อได้ธาตุดินก้อนดินก้อนนี้มาแล้วเราไม่ประพฤติปฏิบัติให้ดีขาดสติไม่ละเลิกพิจารณากิเลสโลเลในใจนะมันก็โลเลล่ะเพราะไม่ภาวานาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาเมื่อโลกผ่านตา ไม่ว่าลูกคนลูกสัตว์ลูกวัตถุเข้าของอะไรต่อมนี้อะไรเจ้าโลภะจิตมันก็เกิดขึ้นเจ้าโมหะอาวิชชาตัณหามันก็เกิดขึ้นคือมันมีอยู่แล้วกิเลสกิเลสนั้นท่านว่าเป็นไฟท่านจัดว่าไฟความโกรธไฟความโลภไฟความหลง คือมันจิตใจร้อนแล้วโอโยด้วยอํานาจของกิเลสนั่นเรียกว่ามันเป็นไฟไฟไหม้หัวใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเมื่อมันขาดแล้วมันก็บกพร่องไปหมด ดัง น, นั้นให้ตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมาอย่าให้ขาดสตินั่งก็ภาวนาอยู่ให้ได้มาละนังเมภาวิสตินึกเตือนใจของตนให้ได้ว่าเรานั่งโยเราก็นั่งรอวันตายถ้าความตายมาถึงเขา่าเรานั่งโยก็ตายได้ เราโพดโยก็ตายได้อย่าไปเข้าใจว่าปลอดภัยอันตรายมีแต่ภัยอันตรายท้งนั่นภัยอันตรายที่เราจะต้องระวังต้องระวังจิตมันเป็นที่จิตเป็นที่ใจให้ใจของเรานั้น มีคนพระอยู่ในใจให้ใจอยู่ในพระคำว่าพระนั้นจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตมีสติความระลึกสอนจิตสอนใจของตัวเองอยู่ไม่หลงไม่ลืมนั่นแหละแล้วว่าจิตอยู่ในคุณพระไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นรูปเป็นร่างโนน พระในจิตพระในใจพระในความประพฤติปฏิบัติของเราทุกคนจึงจัดว่าเป็นพระแท้ละกิเลสความโกรธบรรเทากิเลสความโกรธได้นั่นละองค์พระอยู่ที่นี้บรรเทาความโลภโลภจิตในจิตในใจออกให้ได้ละความหลงออกจากจิตใจให้ได้นั่นแหละเป็นพระ ไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระเป็นเนนรลุ่งเหลืองห่มเหลืองเลอวใจมันจะได้เหลืองเหมือนผ้ามันไม่ได้ต้องละความโกรธความโลภความหลงตัดความโกรธความโลภความหลงของตนให้ได้ไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็เป็นพระแล้วก็แล้วไปไม่ภาวนาละกิเลสมันก็ได้แค่สมมุติว่าพระเท่านั้นล่ะ นุ่งผ้าเหลืองผ้าเหลืองใครก็นุ่งได้ในล้านค่าของเจ็กของจีนเขาขายเสียด้วยผ้าเหลืองนะั้นเยอะแยะไปไม่ใช่ผ้าเหลืองมันดีเจ็ดคนเราที่ละเว้นจากความชั่วต่งตางๆเว้นจากฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวโมเสาว่าเว้นจากดื่มกินโุลาเมลัยเป็นต้น เราเลิกละสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นแหละท่านเรียกว่าคุณพระพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมคาสอนพระธรรมวินยัยพระธรรมพระวินยัยก็อยู่ที่ใจคุณพระอริยะสงสาร ก, ก็อยู่ที่จิตนั่นแหละอยู่ที่ใจของเราใจนี้ท่านจึงว่าให้ตั้งใจขึ้นมารละลึกขึ้นมา ใจโลเลให้พาละกันทิ้งใจโลเลได้แก่อะไรใจคี่พูดคี่คุยใจไม่สงบพูดเกง่งคุยเกง่งเล่นเกง่งนั่นแหละคือว่าใจกิเลสใจอันนี้และมันพาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ไข้ให้ตาย มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมกลมมัญญาของกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์รู้เล่ห์เหลี่ยมของมานสังขารมามันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันก็อยู่ที่ใจมนุษย์คนเราที่ไม่เลิกไม่ละกิเลสนั่นแหละ จิตอันเก่านั่นแหละเมื่อมันหลงมันก็เป็นสังขารมานเป็นมานคือสังขารเป็นกิเลสมานกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็จิตนั่นแหละให้นั่นกิเลสโลเลพระองค์สอนให้ละเราละได้หรือยังเราตั้งใจจะละมันหรือยัง ต้องเตือนตอนเตือนใจให้มันได้ภัยอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาผู้ประมาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันยังดีวิเศษอยู่เข้มข้นอยตั้งแต่พระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วเทศสอนไว้ พอถมประเทศสนาจนถึงปชิมวาจาสุดท้ายดับคันเข้าสู่นรือผาพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นยังเข้มข้นอยู่แต่มันเป็นที่จิตใจของผู้ปฏิบัติสากทั้งหลายไม่ตั้งใจไม่ทำจริงไม่ปฏิบัติจริง ต้องให้ลู่เล่เหลี่ยมมารยาสาไทยของกิเลสเคยเดียวเน่จิตใจคนเรามันไปเชื่อมารกิเลสไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้านั้นเขารอเป็นพระพุทธโลกไว้ปางต่างๆเยือนก็มีนอนสีหะอสัยญาตก็มีนั่งขัดสมาธิเพชรก็มีนั่ง แบบธรรมดาก็มีเทนี้ถ้าเราเวลาจะมานั่งขัดสมาธิเพชรอย่างหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อขัดสมาธิเพชรทำไม่ได้พระพุทธรูปทองท่านยังทำได้แล้วท่านนั่งได้นานกว่าเราด้วยท่านนั่งตลอดกาลไม่มีการไม่มีเวลา เราทุกคนให้มีสติต่อไปอย่าได้ขาดสติสตินี้มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสติในเวลาทำงานทำการสติมีในเวลาพูดจาปราศัยจะต้องมีสติควบคุมไปว่ามันพูดเรื่องกิเลสความโกรธ ความโลภความหลงอย่างไรหรือมันพูดเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ให้มันรู้ไปขาดไม่ได้ขาดสติไม่ได้เหี่ยงนี้อเจตใจมนุษย์คนเรามันขาดจนไม่รู้ว่าทำบาปอย่างไรทำบุญอย่างไรไม่รู้จักบาป อาศัยกิเลสเกิดขึ้นอย่างไรก็ทำไปพูดไปโลกภายนอกยังได้วุ่นวายเดือดร้อนเพราะมันขาดสติโลกภายในนักพจนักบวชผู้ปฏิบัติผู้ตั้งใจภาวนาหลับตามันก็ยังเน่ง่วงเหาเหานอนเหล่านี้แหละคือว่ามันยังไม่ได้เตรียมเลิกละ ต่อไปให้เราทุกคนเตรียมเลิกเต็มละมันเชียทีอย่าปล่อยให้มันมาย่ำยีหัวใจของเรามันย่ำ ม, มานานแล้วกิเลสความโกรธมันครอบกายวาจาจิตของเรามาตั้งแต่อนเนกชาตมาแล้วเรายังจะไปโกรธตามมันไปหรือ ยังจะถือว่าความโกรธเป็นตัวเป็นตนของเราอยู่หรือยังมาเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นอำนาจมีอำนาจใหญ่หรือต้องภาวานาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นพิจารณาให้ตัวเองต้องพิจารณาตัวเอง ภาวนาดูกายดูใจดูความประพฤติปฏิบัติของตัวเองอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนใดไม่ดีท่านเรียกว่าบาปอย่าไปทำส่วนใดทำดีท่านว่าบุญให้ทำ น, นี้ต้องทำประกอบสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราต้องละต้องเลิกต้องรู้ไว้ด้วย รู้ไว้ก่อนว่าทําอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปคิดอย่างนั้นเป็นบาปลืมสติเป็นบาปขาดสติเป็นบาปมีสติเป็นบุญสติตัวเดียวหล่ะสําคัญถ้ามีสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดเวลาปฏิบัติบูบชาภาวนามันมีอยู่ทุกอิริยาบดยืนเดินนั่งนอน มมโยทุกลมหายใจแนีว่ามีเวลาทำความดีได้ทุกเวลาชั่วโมงนาทีวินาทีเป็นเวลาทำความดีภาวนาได้ท้งนั้นแต่นี่คนเรามันไม่มีความสนใจไม่มีความตั้งใจ จึงปล่อยให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตใจทำอะไรก็จะเอาแต่หน้าเอาแต่ตาเอาแต่ชื่อแต่เสียงไม่เอามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นนั้นไม่มีและไม่เห็นไม่เข้าใจ มันมีอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราถ้าคนเราตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงๆมรรคผลในพานมันจริงจะเกิดมีขึ้นเมื่อคนไม่ทำไม่ปฏิบัติปล่อยปะละเลยมีแต่พูดมีแต่คุยกันในสิ่งที่ไม่เป็นสารประโยชน์ทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีทั้งมวนั่นแหละ มันเป็นอวิชชาทำด้วยอวิชชาความไม่รู้พูดด้วยอวิชชาความไม่รู้เวลาพูดคิดด้วยอวิชชาความไม่รู้คิดเรื่อยเปื่อยไปไม่คิดอยู่ในกายในจิตไม่คิดภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่เตือนใจของตนนะ ให้ได้ทุกลมหายใจเขาออกว่าเราเกิดมาแล้วนะมันขยับเข้าไปโซ่ความตายทุกเวลาเวลาความตายมาถึงเข้าเวลามันจะเจ็บไขรได้ป่วยขึ้นมามันมีได้ทุกเวลาเพราะเราไม่ตั้งใจไม่เจริญภาวนา นั่งอยู่ดีๆก็มีตะขาบมากัดหรือตัเองไปจับตะขาบไม่เหลามัดระวังมันก็กัดเอาจะไปติว่าตะขาบไม่ดีไม่ได้ตะขาบมันดีมันยังเตือนให้เรารู้ว่าใครอย่าไปนอนเฉยๆไม่สวดมนต์วีรูปเกไม่ภาวนาพุโทโธในใจ จิตใจไม่สงลบระงับก็ไปนอนอันั้นแหละตาขาบมันจะกัดทุกคนแหละเพราะคนเรานอนหลับนั่นเหมือนกับตายมงูมาก็กัดได้เสือมาก็กัดกินได้ตะขาบมามันก็กัดได้นอนไม่ภาวนานอนไม่สวดมนต์นอนไม่เจริญวิโลปเก วิโลปเคเป็นคาถาพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าผู้ใดจเจริญบ่อยๆภัยอันตรายจะไม่มีไม่ว่าภัยอันตรายจะเกิดมาจากคนจากสัตว์จากอะไรก็ตามวิโลปเคให้จเจริญ ไม่ใช่ว่าตะขาบกัดแล้วเราก็มาเจริญภายหลังหรือว่าตะขาบกัดมือแล้วก็มาเจริญวิรูประเคหิเมตตังเป่ามันไม่ได้ล่ะมันเป็นผลละผลเจ็บละผลทุกข์มาถึงแล้วต้องทําไว้ก่อนละมัธระวังไว้ก่อนเจริญไว้นึกไว้วต้องหาเวลา นึกได้จเจริญได้เมื่อใดเวลาใดถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราทุกคนเป็นเกราะแก้วป้องกันเจ็ดชั้นภัยอันตรายต่างๆเข้ามากัมกายโ ป, ประขันร่างกายไม่ได้ แค่นั้นคาถาในทางพุทธศาสนาเราได้จดจำอะไรท่านจึงให้สวดให้เจริญไว้มันเป็นสิริมงคลทั้งตนและบุคคลผู้อื่นด้วยแต่คนเรามันมองไม่เห็นเข้าใจไม่ถูกจึงไม่มีศรัทธาที่จะเจริญที่จะประกอบกระทมให้เกิดให้มีขึ้น เล้วมีแต่จะคอยท่าเอารอท่าเอาเมือ่อใดมันจะเกิดมีขึ้นบนอย่างนั้นความสุขอย่างนั้นสบายอย่างนั้นเมือ่อใดมันจะมาเกิดมีขึ้นเมือ่อใดมันจะมีขึ้นในตัวเราเองมันคอยท่าเอาแบมือรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบกระทาสิ่งทั้งหลายมาจาก กรรมดีกรรมชั่วตัวกระทำทางนั้นแหละแต่ว่าเพราะอาภิชาความไม่รู้ขาดสติขาดสมาธิขาดภาวนามันจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ลหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสกิเลสอันใดมันพุทโอขึ้นมาเมื่ <c oughs> ไปตามกิเลส เพราะไม่ตั้งใจไม่รวมใจลงไปในเวลาปัจจุบันอยู่ถ้ารวมจิตรวมใจเป็นปัจจุบันนธรรมจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในกายวาจาจิตของตนตั้งแต่เกิดจนตายไม่ตายเมื่อใดจะออกจากร่างกายนี้ไปที่อื่นไม่ได้ก็ให้ถือว่ามีกายมีจิตมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ ก็นั่นแหละสมาธิปาวันนาประมาทไม่ได้อะไรต้องประกอบกระทำอยู่เสมอๆ ส, สติความหลัลึกได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยอยู่เหมือนวัตถุภายนอกไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการเจริญเป็นการนึกเป็นการน้อมเป็นการกราบเป็นการไหว ไหว้พระพุทธเจ้าในใจไหว้พระธรรมในใจไหว้พระอริยสงฆ์สาวกในจิตในใจเรากราบไหว้าภายในจิตใจอยู่เราจเจริญอยู่นึกอยู่เตือนใจของเราอยู่ทุกเวลานั่นจึงชื่อว่าสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้านั่นท่านไม่นั่งอยู่ด้วยความประมาท นั่งที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าเป็นนั่งภาวานายืนโยนที่ไหนท่านก็ถือว่าเป็นยืนภาวานาเดินไปมาที่ไหนท่านก็ให้ถือว่าการเดินไปนั้นเป็นเดินจงกรมภาวานาแม้ไปรถไปเรือไปไหนก็ตามก็ต้องภาวานาไปทุกอิริยาบถคือไม่ให้ใจเราว่าง หลงไหลไปให้ดวงจิตดวงใจมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิมีความตั้งมั่นเป็นตัวเป็นตนของตนอยู่ทุกเวลาไม่ให้จิตใจเลื่อนลอยพูดมากปากเปียกคนพูดมากปากเปียกใส่การไม่ได้จงเป็นคนพูดน้อยพูดด้วยการมีสติ พูดด้วยการมีสมาธิพูดด้วยการมีปัญญาพูดด้วยการมีความเฉลียวฉลาดความรอบรู้ในกองสังขารให้นั่นหัดใจฝึกใจหัดตัวฝึกตัวคําว่าฝึกฝนอบรมมันหมดทุกอย่างนั่นแหละกายก็ฝึกวาจาก็ฝึกเจตก็ฝึก ฝึกและเทียยท่านให้นึกพุทโธพุทโธคือท่านนึกพุทโธได้ทุกลมหายใจจิตใจมันก็ดีขึ้นสติมันก็ดีขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมัน่นมันก็มองเห็นในจิตในใจของตัวเองอะไรผิดอะไรถูกอะไรล้ายดีมันขึ้นอยู่ในจิตใจนั้นทางนั้น เอานั่นการนั่งสมาธิภาวนาเราจะมาถือการนั่งอย่างเดียวไม่ได้ทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกับภาวนาได้เห็นนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญญพุทธะพระองค์รู้ท่านว่าไม่ว่าจะภาวนาบทใดข้อใดธทำข้อไหนก็ตาม ถ้านึกได้จเจริญได้ทุกลมหายใจหรือเหมือนกลมหายใจแล้วนั่นแหละจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติไม่ใช่มันอยู่ที่อื่นอยู่ที่ประกอบกับธรรม ล, ลึกอยู่เสมอนี่เป็นอุบายในทางพุทธศาศาสนา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 สุขีเทคายยโกภาวะอภวาธนาสิริสนิจังวุธาปั ย, ยิโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังนาบาดนัดในถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ให้ระลึกถึงพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิใต้ลมไมโพจึงได้ตัดเป็นโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกการนั่งขัดสมาธิ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 ทำว่าพุโทโธพุธโทโธพุท ธ, ธะเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจา้าให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจเขา้าทุกลมหายใจออกคือไม่ให้หลงหลืมระวังจิตใจไม่ให้คิดแสสายไปภายนอกจ้องรวมเข้ามาสงบเข้ามา ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นเวลาปัจจุบันเป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะเป็นเวลารวมจิตรวมใจให้มาสงบงระงับให้มีสติความระลึกได้อยู่ในใจในตัวนี้คอยระวังจิตใจไม่ให้แสสายลุ่มหลงไปตามอารมณ์กิเลส ธรรมดาอารมณ์กิเลสในใจมนุษย์คนเหล่านั้นมันเต็มอยู่ภายในใจไม่ว่ากิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะเต็มไปหมดถ้าเราขาดสติเมื่อใดเวลาใดสมาธิตั้งมันไม่อยู่ก็ไปตามอำนาจกิเลสนี่แหละ พอจิตนี้มัน ย, ยังยินดีพอใจกับกิเลสมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษกับกิเลสอันนี้จึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจว่าทำไปตามอำนานจะกิเลสมีความสุขพูดไปตามอำนานจะกิเลสมีความสุขคิดไปตามอำนานจะกิเลสมีความสุข หาลู่ไมว่าสิ่งนั้นมันเป็นตัวทุกข์ก่อนทุกข์สร้างทุกข์สร้างความเดือดร้อนขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ละให้วางยาได้ตามมันไปทวนกระแสะเข้ามาว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ร่างกายของเรานั่งภาวนาอยู่นี่จิตก็ไม่ให้ไปที่อื่น โดปริมนฑนหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอกในตัวของคนเรานี่แหละความมีอะไรเต็มอยู่ภายในนี้บัดนี้ยังมีชีวิตอยู่คือยังมีลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจเข้าไม่ได้ออกไม่ได้แล้วคนเราก็ตายตายแล้กก็ไม่มีประโยชน์อะไร เนื้อก็กินไม่ได้หนังก็ไม่มีประโยชน์วัวควายเขาตายยังมีประโยชน์บ้างมนษุษย์เราตายไม่มีประโยชน์อะไรเผาไฟทิ้งเวลายังมีชีวิตอยู่จิตผู้มาอาศัยเนื้อหนังมังสังกองกระดูกอันนี้ อย่ามาเพียงแต่มายึดเอาถือเอาความสุขสะดวกสบายในนิดหน่อยแล้วก็ลืมภาวนาไปไม่ได้การภาวนาคือสมถภาวนาวิธีการใดก็ตามเมื่อรวมจิตรวมใจสงบระงับให้ตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ เมื่อจิตตั้งมั่นลงไปได้แล้วรอบรอบกายวาจาจิตของคนเรานี่เองก็แสดงถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรียก ว, ว่าอานิจจังอนิจจาลัคณนะทั้งตัวเราทั้งตัวบุคคลผู้อื่นก็แสดงถึงความไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงความไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะมันมีอยู่ในกายในจิตของคนเราอันความไม่เที่ยงนี้จิตเมื่อมันหลงสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็จะให้เที่ยงจะให้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปอย่างว่าสุกกายสบายใจจิตมันชอบ ก็อยากจะให้ความสุขกายสบายใจอยู่ไปได้นานๆแต่หารูปไม่ว่าโลภนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลมีอยู่ที่ไหนที่นั่นก็ยอมแสดงถึงความวิกรมีการอยู่ตลอดเวลาคือไม่ที่ไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปให้รู้ไว้ ท่านก็ว่ามันเป็นทุกข์หรือว่าทนโยไม่ได้เป็นโยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเจ็ดให้รู้ว่านามโลกกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตั้งแต่ส่วนย่อยคือตัวคนเราไปถึงส่วนใหญ่ส่วนมากก็เหมือนเหมือนกัน มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดใครจะไปบอกกล่าวให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจชอบไม่ค่อยได้เพราะอะไร<ม>เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนาัตตามันไม่ใช่ของใครเป็นธาตุโลกเป็นของโลกเขา ระจิตใจหลงอันนี้ก็มาอาศัยในธาตุโลกของเขาโดยความไม่รู้เท่าทันการปฏิบัติภาวนาเพื่อให้รู้เท่าทันเพื่อไม่ให้จิตใจหลงไหลไปยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรา ในโลกนี้ไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกเป็นของกลางแม้โลกร่างกายตัวตนของคนเราแต่ละคนก็เหมือนกันเป็นของกลางถ้าดวงจิตดวงใจผู้รู้ของเราไม่มายึดเอาถือเอาจิตใจดวงผู้โลภคนอื่นผู้อื่นเขาก็มายึดเอาไป เป็นตัวตนของเขาเพราะว่าก้อนถากกรรมาฐานอสุภกรรมาฐานอันนี้เมื่อมันตั้งขึ้นมาแล้วเจตใจมันก็มายึดเอาถือเอาว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อได้ตัวนี้มาแล้วมันจะได้ทำตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความโลภะในจิตกิเลสความหลง มันจะได้ทำไปตามอำนาจของกิเลสแล้วกิเลสนี่แหละมันก็โผกมัดลัดเึงให้คนสัตว์ทั้งหลายมาติดอยู่ข้องอยู่มาหลงอยูหลงโยในโลกในเสียงในกลิ่นในรสในพอทภะธรรมมารมณ์ความรุ่มหลองเหล่านี้มันก็โผกมัดลัดเึงจิตใจของคนเราให้ติดอยู่ให้ข้องอยู่ ในความลุ่มหลงเหล่านี้เราจะต้องตั้งใจแก้ไขไม่ให้จิตใจมาหลงยึดหน้าถือตายึดชาติยึดตระกูลยึดคนยึดสัตว์ยึดแผ่นดินแม่น้ำลำคลองป่าดงพองไขไม่ให้เมยยึดอะไรถืออะไรคือว่าอะไรมันอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั้น ต้นไม้ผูเขาดินฟ้าอากาศมันอยู่ที่ไหนก็ให้รู้เท่าทันแล้วให้มันอยู่ตามสภาพนั้นๆจิตอย่าไปยึดว่าอันนี้ของเราอันนั้นของบุคคลผู้อื่นจะมีของใครในโลกดูเมื่อเราเกิดมาได้อะไรมาก็ได้ขาสองแขนสองศีสะหนึ่งตัวน้อยนิดเดียวนีแหละมา เมื่อมันเจริญไวใหญ่โตแล้วก็มาหลงยึดหลงถือว่าเป็นตัวเราของเราของกูตัวกูก้ผลที่สดเมื่อมันแตกดับทำลายมันตายไปถ้าบินน้ำไฟลมประชมกันอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าตายเมื่อตายแล้วเอาไปได้ที่ไหนจิตใจไปดวงเดียวเท่านั้น ร่างกายสังขารอันนี้หมดลมที่ไหนมันก็โยที่นั่นแหละจองทำความเปลียนเพ่งโยให้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าอะไรทั้งหมดที่จิตเรามุ่งมาปราฐนานนั้นคือว่าจิตหลงจิตไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้โลภจิตตัณหาจิตมันก็เกิดขึ้นมาทัดถมจิตใจ การมี <c oughs> ชีวิตอยู่ในโลกนั้นอะไรอะไรมันต้องมีการบกคร่องอยู่เสมอจะให้มันเต็มบริบูรณ์ไม่มีการบกครองนั้นไม่ได้เพราะโลกนี้เขาถึงบกครองอย่างนี้แหละตั้งแต่ได้แต่ลามามันก็เป็นอยู่อย่างนี้ ใครมาหลงยึดเอาถือเอาก็เป็นทุกข์อย่างนี้ใครรู้จักปล่อยวางเลิกละออกไปไม่ให้ใจมันมาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราแล้วิตใจก็จะสบายแต่มันที่ไม่สบายอยู่ก็คือว่ามันยึดเอาถือเอาอะไรไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็เข้าไปยึดไปหลง เพราะไม่รู้แจ้งในหลัก อ, อนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่รู้แจ้งในหลักทุกขังมันเป็นเหตุการณ์ให้เกิดทุกข์ไม่รู้แจ้งถึงหลักอนัตตาคือความจริงมันไม่ใช่ตัวเราของเราเลยเย็ดหลงมาหลงเยึดเอาถือเอาต่างหากเย็ดแล้วถือแล้วว่ามันจะเป็นไปตามใจหวังความจริงไม่ได้เป็นไปเลย ได้เวลาแก่มันก็แก่ไปได้เวลาเจ็บมันก็เจ็บไปได้เวลาแตกเวลาตายมันก็แตกดับตายเป็นไปอย่างนี้จงทำความรู้แจ้งในจิตใจเลวสงบตั้งมัน่นเห็นสิ่งต่างๆว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาผลที่สุดย่อมแตกดับทำลายไปตามสังขารทางหลาย ฉะนั้นโอบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี่เป็นโอบายธรรมปฏิบัติธรรมให้เกิดความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภายในจิตใจจิตใจจะได้สงบรั ง, งับตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเยวังก็มีด้วยประกาศนี้ สัพพิตโยวิวัทชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปะวัตตะวันตรายโยสุขีเทคายยโกภวะอภิวาธานาสิริสณนจังุทธาปัจาญิโนยัตตารโอธรรมาวัธันติอายุวันโนสุขังภาลังสิ่งอื่นใดนอกจาก คิดใจพุทธะนี้ออกไปไม่เที่ยงเป็นกองทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราจงเลิกละปล่อยวางถอดถอนทิฏฐิมานะเหล่านี้ออกไปให้หมดสิน้นถอนกิเลสความโกรธความขัดเคืองในใจออกไปให้หมดสิน้นใครจะว่าร้ายว่าดีให้ ก็เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของลมปากเจอย่าไปรับเอาภาวนาถอนหน้าถอนตาถอนตัวถอนตนถอนตัวกูของกูตัวฆ่าของข่าตัวเราของเราออกไปพุทธอจิตเป็นหนึ่งพุททอจิตรู้แจ้งพุทธอจิตรูจ้จริงพุทธอโยในตัวในใจ ไม่ใช่พุทโธอนอกตายนอกใจไปพุทโธไม่ต้องดูที่อื่นพุทธโธดูตายให้ทั่วถึงพุทธโธดูวาจาที่ตัวเองพูดพุทธโธดูใจที่จิตใจมันคิดคิดภาวนาพุทโธในใจหรือไม่ มันคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวีนแก่ใครอยู่เดี๋ยวก็โกรธให้คนนั้นสัตว์ตัวนั้นเดี๋ยวก็ลกอยากได้อย่างนั้นอย่างนี่โลภตัณหาละทิ้งให้หมดทำใจให้สงบเป็นหนึ่งไม่ให้เป็นสองจิตสองใจเอาให้มันจริงแจ้งลงไปในหัวใจของตัวเองนี่แหละ จึงชื่อว่าภาวนาอยู่ในตัวภาวนาอยู่ในใจภาวนาอยู่ในธรรมภาวนาอยู่ในวินยัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาดิสอนให้อยู่ทางนอกพระพุทธเจ้าสอนให้ดูดูอยู่ภายในที่ว่าปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดดอก โดูโยในกายให้เห็นกายในกายไม่ให้ไปเห็นที่อื่นเห็นที่อื่นเป็นเครื่องหลอกลวงเห็นกายอยู่ในกายคือมันแจ้งอยู่ในกายว่าเป็นอย่างนี้กายคนอื่นมันก็เหมือนอย่างนี้ไม่มีอะไรจะวิเศษกว่ากันไป ถ้ามันแตกดับมันตายเมื่อใดเวลาใดกายนี่มันจะเน่าเขียวแตกน้ำเหลืองไหลน้ำหนองออกมามันจะมีกลิ่นเหม็นไม่ใชกลิ่นหอมต่างหากว่าถ้าเวลามันเปื่อยเผลออย่างนั่นแหละ เราจะไปนั่ง <c oughs> โย่ใกล้ก็ไม่ได้มันเหม็นสาบเหม็นข่าวเหม็นไม่เข้าทา่าหรือจะเป็นนั่งทานอาหารกินข้าวที่นั่นก็อาเจียนลากออกกินไม่ได้นี่ตัวเราก็เหมือนกันตัวเขาก็เหมือนกันคนที่เกิดมา